การแผ่เมตตามีประโยชน์มากคืออยาาโยมมาเจริญกรรมาฐานทำให้เรามีสติปัญญาทำให้เรามีเมตตาในใจทำจิตใจดีดจิตใจเป็นกุศลแล้วเราก็แผ่เนี่ยจากความดีของเราเนี่ยไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่กลายตัวเรานั่นแก่ได้แก่บิดามดาปู่กระยาตากระยายต้องได้รับ จากนั้นแล้วพี่กับน้องญาติวงปวงสาทุกประการต้องได้รับถ้าทำไปต่อกันไปเรื่อยๆต่าการเจริญกรรมาฐานที่ท่านทั้งหลายมาเนี่ยไม่ใช่บวชคีพรามนะบวชในพระศาสนาบวชแทนคุณบิดามดาบวชเพื่อปนิัยปัจจัยบวชเพื่อปฏิบัติธรรม ให้รู้คุณค่าของการกระตันรูตวเวทิตาธรรมเข า, าเรียกว่าเน่คัมมะปฏิบัติธรรมอันนี้มีความหมายอย่างนั้น <c oughs> บางคนอยากเข้าใจผิดคิดว่ามีเวลาน้อยหรือมากก็าตามขอให้ตั้งใจทำอะไรทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเคารพเคารพตัวเองตั้งใจมาเล้วยพูดและต้องทำ ตามทัศน์อารมณ์ไม่ดีเคารพสถานที่เคารพกติกานัดหมายเคารพกฎหมายบ้านเมืองแล้วกวททว็ทำอะไรทำให้เจ็ดสงบอย่าวุ่นวายอย่าฟุ้งซ่านทาอะไรทำด้วยความถูกต้องไม่ถูกต้องอย่าทำไม่ได้ผลได้อันนี้สงแบบประการใดอาตมาเนี่ยอายุมากแล้วต้องทำงานทั้วันยั้งคืนต้องรับผิดชอบ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 วิหารขาวไม่น้ำน้อยไม่มีสลาบะเพงกุศลศพเอาละเราสร้างให้วันนี้สวมพานมาเบิกปัจจัยเอาไปได้มาให้หมดไปถ้าใครถวายตะา ม, มาเป็นส่วนตัวจะทำบุญให้หมดโยมก็ได้บุญด้วย <c oughs> ไม่จะไปทิ้งไปขวา้างเดี๋ยวขอนแขนสร้างสลาราคารวม้อยล้านเดือนเมษาเริ่มลง เราปฏิบัติธรรมกันเนี่คนแน่นตำรวจอบรมไปแล้วสองสามพันคนรุ่นละสองร้อยสองร้อยโรงเรียนตำรวจภูทรภาคสีที่ทางกว้างขวางมากถ้ายอมไปก็ผ่านก็ไปแวะดูจอดรถเด็พันคันที่ร้อยก็ไล่รวมจะถึงร้อยห้าสิบไล่ 12, ต้นไม้หมื่นสองพันต้นโตมาแล้วตั้งนางงามร่มเงาดีสราสีหลัง <c oughs> หลังที่ห้าก็จะตุกคนสองพันคนต้องเซ้ายสองปีครึ่งหรือสามปีก็ใหญ่มากขอจเจริญพรการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการบวชนะขออย่าโยมทราบว่า ยอมผู้หญิงส่วนมากไม่เข้าใจนะเข้าใจว่าเป็นเมีผู้ชายถึงจะบวชอย่างบวชได้แต่เป็นผู้หญิงบวชไม่ได้อย่าเข้าใจผิดพุทธพุทโธไม่ใช่หญิงชายเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นพระหันได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายยอมผู้หญิงจะเป็นสาวหรือจะเป็นแก่อายุ เท่าไรไม่เป็นไรขอให้ตั้งใจบวชตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานทั่วบวชกายบวชจิตบวชสติปัญญาพ่อแม่ล้มหายตายจากไปแล้วจะได้บุญกุศลดวตัวอย่างอชุงอมาหลายปีผ่านมันี่อาม่าตายไปสิบกว่าปีไหมสิบสามปีได้อาม่มาตายไปปกทุกข์ได้ยาก มาเข้าฝันอสุงโอตอนนั้นอสุงโทำงานธนาคารสิงคโปร์พูดไทยไม่ได้อามมาก็บอกว่าให้บวชชีให้หน่อยโอนหัวด้วยอา ม, มาตกทุกข์ได้ยากตอนนั้นบวชตายไปได้สิบสามปีได้ไหมเก้าปีกว่าแล้วให้บวชที่ไหนบวชประเทศไทยบวชที่นี่ด้วย อาชุงอก็มาพูดไทยไม่ได้เลยบวชให้อามาอย่างพวกยอมมานั่งปฏิบัติอาชุงอ้อสามปีพูดไทยได้หมดเขียนสื่อไทยได้อ่านสือไทยออกโดยไม่ต้องไปเรียนก็ใครเลยนะนี่แหละอำนาจบุญกุศลตัวบรรดาลได้ชัดเจนอย่างนูไม้ใช่ไหม เป็นใกล้ได้เลยพูดเป็นแปลได้เลยพูดก็ฝรั่งเนี่ยมาตัที่เขาก็หา้าหกหัวสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ทั้งหมดไม่น่าเชื่อพ่อแม่เขาบอกว่าเนี่ยเรียนแค่นี้คัตะถมทำไมเป็นล่ามได้ทุกอย่างก็พี่สาวก็น้องสาวห่างกัน15้าปีหนุมาย ตอนที่ปี่สาวคนโตเกิดมาเนี่ยอักษรสีหนูมายังเป็นน็อกเตอร์อยู่รัดบัวหิงตันเนี่ยกว า, าจะตายจะที่นนมาเกิดมันก็ต้องห่างกันสิบห้าปีเป็นด็อกเตอร์แล้วเกิดแล้วภาษากฤษมันก็ออกมาเพียงจะดูหนุเดียวจำได้เพลงร้องได้มอกี้บอกสอง้เพลงสองร้อเพลงที่สองที่สามภาษา แล้โดนตีไทยทีแล้วหน้าดได้แล้วบอกหลานลุนงปูต้องไปเป็นโดนตีไทยลูกสาวปีนดาแม่ปรมสี่แท้ๆนี่ขายผ้าเผารัตขายดิบะดิลูกสาวคนโติญญาโต ท, ทำงานลุงปูลูกชาย ต, ต่อด็อกเตอร์สหรัฐอเมริกาจะจบแล้วลูกสาวคนที่สามกำลังต่อเมียโทและทำงานแบงค์ชาติลูกสาวคนที่สี่จบธรรมศาสตร์ ลูกชายคนที่ห้าอำงาัใจเอ็นทาอะ่ะเหลือคนเดียวแม่ปฐมสี่แท้ต้องเหตุดายจิงฉลาดแม่นางกรรมฐ า, านทุกคืนไม่เคยขาดขายผ้าพี่พาหุรัไม่ลูกค้าต่างประเทศมาซื้อมากมายสวดพาหุมะากาแล้วก็ น, นางกรรมฐ า, านกลับไปบ้าน ทานข้าวอาบน้ำเสร็จเข้าห้องพระไปดิฉันเบ็ดโทรมาสอบอารมณ์เราอนุญาตไปดิฉันเบ็ดนาฬิกากลางคืนอีกสามนาฬิกาโทรสอบอารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์อะไรไม่ต้องสอบเช้าทานอาหารสวดมนต์ภาวนาไปขายของขายดบขายดี พ่อมสี่แ ท, ะ ท, ะ ท, ะทะ้ลูกเก่งหมดนี่ขอฝาพ่อด้วยลูกเก่งหมด <c oughs> คนที่สามจบธรรมศาสตร์ไปฝึกแบ้งชาติการบัญชีอะไรไปฝึกฝึกเฉยสวดพาหุมกาบอกหนูตัวพราหมมกาให้ได้นะแม่ก็นางกรรมฐานไม่น่าเชื่อ ไปฝึกซีแบงชาติผู้อํำนวยการกองไปผู้หญิงเกิดพอใจและชอบพาไปหาผู้บังคับบัญชาติผู้วรรัาคัรบัญช์ถามผู้หหน้ากองมีตําแหน่งว่างไหมมีตําแหน่งว่างอยู่ตำแหน่งเงียบเงียบไม่ต้องสมัครยาติเข้าไปเลยนในอํานาจบุญกุศลจํบ้างผู้หน้ากองก็ไม่ได้เป็นญาติกันไม่มีเส้นกระสายบรรจุแบงชาติไปเลย อาตมาบอกอาละหนูทำงานมานานแล้วย้ายย้ายที่อยู่ใหม่แล้วหนูตอบยาโทสอบได้เนี่กกำลังเรียนเดี๋ยวปีหน้าจบเป็นยาโทรธรรมศาสตร์แล้วก็สวดภาหุ่นกานั่ากรรมาฐานไปได้วยไวมากแล้วหาดนตรีไทยด้วยในคนเล็กจบธรรมศาสตร์บอกไปซื้อลิมมาได้ยี่สิบเพลงเนีว ยี่สิเพลงหลานลุงปู่ลุงตาวันนี้ต้องเปน็นดนตรีไทยเราชอบด น, นตรีไทยคนเป็นด น, นตรีไทยเนี่ยสมองดีสมเด็จพระเทพรัตนานาธุดาส ย, ยามรวมได้เพลงไปเลยร้อยเพลงเพลงไทยไปทรงอนาคที่ยุโรปฝรั่งชอบใหญมากก็ข อ, ขอฝากไว้ด้วยท่าน ท, ทั้งหลายมีบุตรธิดาสวดมนภาวนาลูกดีหมดทุกคนสามีเคยเจ้าชู้ เล่นกายพ น, านันจะ ก, กลับร้ายกายดีทันทีถ้าเชื่อตะมานะนี่เรื่องจริงแตะมก็หกทัน้นทำไมการบวชเนตะศาสนาไม่ใช่บวชชีพรางบวชชีพรางก็ต้องไปวัดอื่นนอนก็เต็มีสลาหมดและพระเทศติด ก, กันเทศไม่พักต่อกระถิงมาป่าแจ้ซ้องไม่พักวัดนี้ไม่เจากินน้อยนอนน้อยพูดน้อ ย, อยทําความเพียรให้มากใจปฏิบัติให้เต็มที่ก็ได้บุญติดตัวไป บุญคือความสุขความเจริญชีวิตในเรียกว่าบวชเนกธรรมะบวชให้แกบิดามารดาบางทีพ่อแม่ล้มหายตายจากไปแล้วยังไม่ได้รับส่วนบุญกุศลยกตัวอย่างอาซุงโงออามาเข้าฝันให้มาบวชแล้วบวชที่นี่จะมาตอนหลังมาเข้าฝันอีกใช่ไหมบอกได้ได้รับแล้วอาซุงโ่ก็กลับไปอยู่สิงคโปร์ หลวงพ่อก็บอกสุงงนโงมาช่วยหลวงพ่อหน่อยปรับทางานธนาคารอาตมาก็ไปสิงคโปร์ยังจะรู้จักกับกงศุลักากรสิงคโปร์เดี๋ยวนี้แป่งที่บดีเลยใช่ไหมที่บดี ก, กุงศุลังกากรคนจริงคานับถือครั้งสิงคโปร์เล็กกว่ากรุงเทพมีพลเมืองก็สือห้าล้านใช่ไหมกรุงเทพมีพลเมืองถึงห้าหกล้าน แต่รวยมหาศาลประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสู้สิงคโปร์ไม่ได้ประธานาธิบดีสิงคโปร์เงินเดือนสูงกว่าอเมริกาใช่ไหมล่ะเงินเขาให้เป็นปีเลยเขาไม่มีคอลรับชัน้นอย่างยาบ้าประเทศไทยเนี่ยถ้าจับได้ประหารเลยนะระหารชีวิตแล้วมีข้าราชการยังขายยาบ้าอาตมาว่าไม่มีหมด การเมืองก็ขายยาบ้าจะหมดเลยครูก็ขายยาบ้าตำรวจก็ขายยาบ้าจะหมดได้ยังไงวิธีแก้โยมเป็นพ่อเป็นแม่สวดมนต์ภาวนานดูลูกเขาไว้พาหุ่มกาเลื่เจริญกรรมฐานลูกกลับร้างใจดีหมดลูกติดยาบ้าไปสามคนจะไปโลกอหญ่ยี่คนนี้พ่อแม่ก็สวดมนต์ภาวนานจเจริญกรรมาฐาน ลูกเลิกติดยาเสติดหัวเลิกเจ้าทุขหัวเลิกเดิมชลาอยามาเป็นตัวอย่างเยอะแต่ปัญหามืออ่านว่าโยมทําได้ไหมยยืนหนอห้าครั้งให้ได้ยืนหนอลงไปปลายเท้าจากปลายเท้ายืนขึ้นมาถึงที่สัถึงห้าครั้งทบทวนชีวิตเราต้องการจะดูชีวิตของเราว่าละอานตัวออกบอกได้ใช้เป็นไหม ได้เห็นตัวตายไหมคลาที่ถือไหมดา่งดีชอบไหมจะได้ประกอบกุศลได้ผลงานเป็นหลักฐานสาคัญแล้เราจะรู้กฎแห่งกรรมแล้เห็นคนอื่นเดินมาเนี่ยศีชาลงแปท่าไปทชาศีชาเพราะปีมันจะบอกคนเนี้ยนิสัยดีคนนี้นิสัยไม่ดีคนนี้คบไม่ได้คนนี้กําลังมีชู้ไม่เคยพลาดดูด้วยปัญญาคนหัวไม่มีต้องตายคืนนี้นี่อ่มีประโยชน์กับหน้าธุรกิจ แต่ยมทำให้จริงๆไม่ใช่ทำวันทของวันนะเขาได้เลยม้นต่กลับไปบ้านเลิกเลยไม่เดินจงกรมเลยเดินจงกรมเนี่ยต้องเดินก่อนยืนเดินนั่งนอนเลียวซ้ายแลี้วขวาคูเหยีดเหียดขาตั้งสติไว้ทุกการอย่าเสียสติตั้งสติไว้ตลอดเลยการขอให้ทำจริงๆลูกเต้าดีหมดเลย บางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้สารเยาวชนที่ลาดบุรีเดี๋ยวนี้พันห้าคน12สองขวบถึงที่แปดขวบติยาบ้าต้องไปอยู่สารเยาวชนแก้ไม่หายเนี่ยก็ขอเจริญพรเราเป็นพ่อเป็นแม่พยายามเจริญกรรมฐ า, าสนสวดพาหุงมหากาสวดให้ด่าสวดให้ด่านี่รุนมาคาบมาเนี่ยเคยรู้ไหมรุ่นมาคาบหนังสือสวดนมนต์รู้ไหมของน่าสาวประกาดา่าปร ะ, ประาดา นานแล้วเขาจะทำชยิตให้เตี้ยที่เชียงใหม่ <c oughs> วันนี้พิมพมาให้เมื่นก็นเล่นเขานั่งอยู่ในบ้านอยากจะพิมหนังสือให้เตี้ยวันชายิตกระพิมหนังสืออะไรดีมันก็แปลกโดนบันดาลชุนักข้าบหนังสือส่วมดมนต์ที่เราอยู่นานเนี้ยข้าบเดินวิ่งข้ามถนนตลาดมา วิ่งเข้มาบ้านนางสาวประตาดา่าประตายาวเวียงให้แล้วก็ไปเลยเขาหมวยจับหนังสือดูเอาไม่รู้สุนัตไปแล้วในรุ่นมาข้าวแล้วก็พิมพ์มาให้ทิวัดหมดนานเนี่ยหลายรุ่นเต็มทีเนี่ยแต่เขาก็แจกไปในงานแชร์ยิปทาบุญให้เตี่ยในี่เตียก็ตายไปนานแล้วเดี๋ยหนังสือนี่ก็มีชื่อเสียงมาพิมพ์ที่ข้อนแก่นก็ไม่เหลือ ตอนที่รูปเราถ่ายเมื่อ2516 2516นานแล้วเนี่ยมาให้อีกหมืน่นนี้บอกว่าพิมพ์ไม้ชี้มันหมดแล้วเนี่ยรุนมาคาบไอ้ชุนนักเนี่ยมันไม่ใช่ม o งเขาเขาอยู่เชียงใหม่ขายหลอดไฟฟ้าขายเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดขายหยิบขายดีแล้วก็ดีดาเขาเสียชีวิตไปแล้ว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 เลยอานังสือนี่มาพิมพ์ญาติพี่น้องสวดกันใหญ่แล้วก็ค้าขายก็เด็ดดีลูกหลานก็เรียนเื้อเก่งเนี่ยคือพุ้ตระคุณธรรมคุณพาหุมกาเรื่องพระนี้ขอเจริญพรแล้วแต่ศรัทธา น, นะบางคนไม่มีศรัทธามานั่งกรรมฐ า, านไม่ได้เลยเหรืมาแก้บนถ้าหากว่าโยมมีศรัทธาเชื่อมาในคุณพ ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร, ระศรีเลิศนันทกยศเหนียวสาระนาที่พึ่งมาว่าในใจมีความสุขตลอดไป ไม่มีความทุกข์เลยสามีภรรยาไม่ต้องกลัวเราได้ครอบครัวสามีเจ้าทู้เลยเล่นการพนันเดิมโชรายเามาเลิกทันทีโดยไม่ต้องหวาดภรรยาสวดมนต์ไหว้พระดูบุตรธิดาของตนไว้อย่าทิ้งลูกต้องรักลูกถึงือดูกฝังให้ลูกตั้งตนฝึกลับศึกษาให้ลูกได้ดีมีปัญญามีวิชาตั้งต้นให้ลูกเป็นคนดีให้ได้ตอนนี้พอเลยลูกไป็ น, นกเตยสักคนนะ ลูกเป็นแพทย์สักคนเป็นหมอทุกคนเป็นศาสตราจารย์ทุกคนเห็นไหมมาเมื่อวันศุนย์สามีก็ไม่เดือด้อนใจกับลูกเขาไม่สนใจเรื่องวัดแต่ภรรยาสวดมนต์ภามกาและนั่งกรรมาฐานทุกวันลูกดีหมดเลยเป็นด็อกเตอร์สามคนแหละต่างใจเรียนตลอดเลยและกับลูกก็สวดมนต์ด้วยข อ, ขอเจริญพรคนมีบุญวาสนา เกิดเองด้วยอัตโนมัติลูกก็ดีมีปัญญานาำแหลมไครเสี้ยมมะนาวกลมเกลี้ยงไครเบิกกลึงออกมาแหลมมาจาท่องแม่ว่านอนสอนกงงายก็เหตุได้หรือเราเป็นสามีภรรยากันนะสวดมนต์ไหว้พระเจริญกรรมาฐานใจสะอาดใจดีใจมีเมตตาอารีเ อ, อื้อเฟื้อสามีภรรยาไม่ทะเลาะ ก, กันเลยสะอาดนะ่าปราดมาเกิด บ้านไหนทะเลาะกันคิดเหล้าเมายาใจสกปลกสัตวโลกมาเกิดเทียงพอเสียงแม่คำไม่ตกฟ้าว่านอนสอนยากตลอดรายการถ้ายมปฏิบัติได้อย่างที่เา่าบุตรทิดาและลูกหลานจะว่านอนสอนง่ายพูดจะต้องเชื่อฟังแน่นอนไปไหนเข้าไปลามาไหวอ่อนน้อมถ่อโตนปากหวานตัวอ่อนมือเป็นอ น, นอนน้อบนประตันดูเชิดชูระเบียบเพียบเด็วินัยคุณหนูตงตั้งใจศึกษา นำมาพนทุกแบ่งสุกอนันต์เป็ น, น, น, นปหลักสาคัญหนูจำใส่ใจนี่ปีนี้เขาจะมาเป็นดรร้อยสิบเบคนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทั้งอิสลามและคริสต์ด้วยแล้วก็แต่งาโทรผู้หญิงไดเรียนเนเ อ, เอสอบเข้าพูดภาษาได้สิบเ็คนตอนนี้ทำหน้าที่พูดภาษาหญิงนำมานี่เป็นอาจารย์บอหลวงพ่อ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 นั่งกรรมาฐานและตั้งใจขอใเป็นผู้ภาษาดักด้วยคำอธิษฐานของเครอบอกหลวงพ่อคะหนูได้เป็นผู้ภาษาแล้วแต่งเครื่องแบบมาอวดแล้วสมใจนึกที่อธิษฐานไว้สวดมนต์เป็ น, นที่อธิษฐานสิเต็นประจาเอาพฤติกรรมของก็แถ่ไม่ตาอย่าภูกใจเจ็บใครไว้ในใจให้มันโง่โกรธไว้ในใจใ ห, ให้ให้จิตใจเวลวไล่ อย่าให้อารมณ์ค้าอารมณ์ดีตลอดเลยการยอมจะทำอะไรมั่งมัก ม, มีที่สุดถ้าขายก็รวยขายที่ดินก็ได้ไม่แปรผันเปลี่ยนแปลงจะเป็นการใดขอให้ทำตามนี้นหนนะูสอบพูดภาษาได้ชิบแต่คนมาซื้อเดือนก่อนนี้ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วซึ่งปีสอบได้บัดนี้บรรจุหมดแล้วฝึกซ้อมหมดเรียบร้อย เป็นผู้ปัะกาารใดคนหนึ่งเขาก็มาฝ่าตัวเป็นลูกศิษย์สุขาเป็นลูกสาวชื่อแม่เพลิจิตเป็นตระกูลบัตรนี้เป็นรองอธิบดีศารแต่จันอยู่ที่ชนบุรีบ้านอยู่หนองคายเป็นผู้หญิงยังไม่มีครอบครัวสาจจะพาได้สี่เส้นนลยได้สี่เส้นเลยบอกหลวงพ่อหนูเชื่อหลวงพ่อหนูสวดมนต์ภาวนา เขาเคยเป็นหัวหน้าศาลที่เชียงใหม่จะมาเป็นหัวหน้าศาลสิีงบุรีและย้ายเข้ากระทรวงไปย้ายไปย้ายมาออกไปเป็นรองอธิบดีศาลภาคใต้และย้ายจากภาคใต้มาอยู่ที่ชนบุรีบอกสายจะพายหมดแล้วนะหนูได้สี่เส้นแล้วมาถ่ายรูปพระธมาบอกหลวพ่อหนูเป็นลูกสาวหลวงพ่อต้องด้าสายจะพายหมดได้สี่เส้นเลยเงินเดือนเต็มขั้นไม่ขึ้นอีกแล้ว เดือนหลายหลายหมื่หลายแสนเราผู้ประสานี่นเดือนแพงนี่แหละนั่งกรรมฐ า, าสนสวดภาหุ ม, มาตาไม่ไม่หยุดและกิจา ก, การเขาก็ดีตลอดคุณพ่อคุณแม่เหรือแต่คุณแม่แมน น, น้องคายกิจา ก, การการค้าที่ดินเขาเป็นเชื่อคนจีนขายดีขายดีมากมายอันนี้ลูกตาดีหมดการปฏิบัติกรรมฐานนี่ไม่ใช่ว่ามาแก้กรรม มาใช่มีกรรมนะอาตมานี่เห็นไหมเนี่ยคหักแขนหักขาหักตกเหวที่แม่สอดฟาผ่าที่ทําเวรทํากรรมไว้ไม่ใช่ว่าตัดกรรมได้นะไม่มีตัดได้หรอกสร้างความดีใช่มีกรรมเก่าโอนาวัฒนานิจาเอ๋ยเกิดมามีกรรมเกิดมาทําอะไรโอนาวัฒนานิจาเอ๋ยเกิดมาสร้างความดีใช่นีกรรมเก่าให้มันหมดไปซะชาติหน้าอย่ามาเกิดอีกเยอะ โลกมนุษย์เ อ, อ๋ยไม่ได้แต่โลกที่เกลียดที้โกงพี่น้อง ก, ก็อิจฉาเิจยากันไม่น่าอยู่ในโลกมนุษย์นเนี่ยตามาในี่คิดแล้วคิดอีกาตามาไม่ได้มาเป็นพระเป็นนากรรมาฐานก็ต้องตายไปนานเนี่ยตามาหมดอายุไปนานเนี่ยแต่แต่วันที 2, ่สี 2, ่ตุลาสองพันหกสิบสองพันห้าร้อยี่บเ็ดรู้ล่วงหน้าหกเดือนว่าเราจะต้องถูกรถชนตายสิบสี่ตุลาที่สิบห้า ไอ้สติที่นั่งกรรมฐ า, านเนี่ยมันเกิดปัญญาทําให้เกิดปัญญานะไม่ใช่มันนั่งจะไปสวรรคนิพพานนิยาณที่โผลขึ้นอย่างที่โยอมเข้าใจไปตามบ้า น, ต า, น, ต, า ต, าานตามวัดบางทีไปทําตามบ้านตามวัดก็ไปกะทั่วไปอ่นะแต่จเจริญกรรมฐ า, านได้จะได้เกิดอะไรขึ้นหนึ่งระลึกเหตุการณ์ชีวิตได้สองรู้ ก, กฎแห่งกรรมทันทีสามแก้ปัญหานี่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเฉพาะปัจจุบันแก้ได้ ไม่อยู่แล้สร้างความดีนะ่ะญาติโยมเหลือยลำบากมากไม่ใช่มานั่งทำมมฐานสบายนะมาสร้างความดีเป็นศัตรูชีวิตจะมาพูดมานานเนะี่ยไม่มีใครสร้างง่ายม า, ายไลยด้วยความดีเนะีสองสร้างความดีเป็นอุปสรรคขัดข้องสามสร้างความดีต้องลงทุนความลำบากมากมายไม่ลำบากไม่ได้ดีแล้ว ใส่สร้างความดีชอบลงทุนความสบายกินสบายนอนสบายกําลังชั่วโดยไม่รู้ตัวชอบกินสบายนอนสบายไม่เอางานออกการกําลังชั่วโดยไม่รู้ตัวนี่ชัดเจนสรุปเลตสองความดีเป็นศัตรูชีวิตเงินทองเป็นอสรพิษถ้าไม่แข่งของเราอย่าเอามานะต่าเอามาแล้วฆ่าตันแห ล, ลกแตกล้านเดี๋ยวเนี้คนใจดําเยอะขอประทานโทษ เรานั่งแสรงญกรรมฐ า, านแผ่เมตตามีเมตตาไว้ในใจให้มากที่สุดแล้วก็แผ่ไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายยังเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายู่กันทั้งหลายจริงจิตไม่มีโอกาสจะมีความสุขเลยเรามาสร้างความสุขได้แล้วแผ่ความสุขให้เขาบ้างไม่ใช่ว่าไปเอาทุกข์ไปให้เขาแล้วเอาความสุขเข้ามานะไม่ใช่อย่างนั้นเลยตมากล่าวตะกี้ว่าโอ้อนาวัสสนานิจาเอ๋ย เกิดมามีกรรมเกิดมาทำอะไรอ๋อโ อ, โอนาวัสนานาิจาเถอะเกิดมาสร้างความดีใช่นีกรรกนาาน่กรรมเกา่าเนี่ตมาที่ใช้นี่กรรมเก่าคสตีบอกเลยที่เราทำไว้เตือนพฤษภที่ยีสิบห้าท่านตมรมลณาภาพมุดอายุตอนนาตามาอายุห้าสิบนี่มันเจ็ดที่สามเนี่ยเจ็ดที่สามเนี่ยบอกท่านตมรมลณาภาพด้วยลถชนขอหกักตายบอกชัดเจนเนี่ยสติได้บอกเรา ไม่เช็มมอดูบอกไม่ต่อไปหามอดูให้โง่มาต่อไปหาผีข้าวจ่าทรงแต่ประการใดรัตนะตายที่ยึดเหนี่ยวทางใจเราแล้วพาเรามีที่ยึดเหนี่ยวแล้วตอนไปเทีพึ่งของตนแล้วยอมจะไปพึ่งใครอีกแล้วพยายามพึ่งตัวเองให้มาที่ชดอย่าไปหมายใจพึ่งคนอื่นเขาพึ่งไม่ได้รับยอมเรารักเขามากเราช่วยเขามากเขาจะรักเรามากเราช่วยเขาน้อยเขาจะรักเราน้อย เราหาโอกาสช่วยใครไม่ได้เขาไม่รักเราหรอกคนเดียวนี้เป็นอย่างนั้นขยนันเาฉยแม่มีปริญญาสามารถอยูข่ขาดผู้บัญถมกระทำฐานเราต้องอ่อนน้อมทำตนทนทํางานผู้ใหญ่ท่านพอใจถึงจะให้เราโตเขาฝากเขาด้ยไปบ้านท่านอย่าดูดายป้านงัวป้านควายทํางานให้เขาชอบใจเราได้แล้วก็กลับจะไปบ้านเพื่อนหรือบ้านใครก็ตาม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 ไปไหนไม่มคนเปลียดช่วยตลอดยอมจําไว้อย่างคนที่มีเมตตายิ่งห้ายินดายยิ่งหวงอดหมดไปมาแล้วไม่หวงก็ไม่อดหมดมาเรื่ยคนที่ปราศจากเมตตาไม่จด้ต า, าคติเกจใจดำเอาไม่เห็นเสี่ยมโหดทารุณดูล้ายฆ่าสัตว์ตัวเป็นให้จํากายไม่มีเมตตาเลยเดี๋ยวนี้ฆ่ากันเป็นผักเป็นปลาไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้เลยขอฝากวาพี่น้องย้อนไว้ใจกันไม่ได้ สรุปใจความทำไมผัวข้าเมียทำไมเมียฆ่าผัวก็เคยฆ่ากันมารัากกันแสนรักก็ต้องฆ่ากันเพราะม่าชาติก่อนเคยฆ่ากันมาก็ต้องฆ่ากันอย่างเนี้โอ้อนาทวัฒนานิจา่าเอ๋ยกุศลาธรรมะกุศลาธรรมมาโกเทงกรรมอย่าลืมโยไม่ต้องไปหาเหลี่ยลายไท่ดำมีฝ้าเนื้อฝ้าเลยเนื้อโกเทงกรรมอรมาทำไมต้องคอหกัก่ะนี่ทำไมคอรถชนคอพับไปถึงหน้าอกเลย เราถ้าไม่ฝึกไว้าตายให้เรางสะดือได้เพราะว่าที่ตมูนี่มีแต่เลือดและเศษเต็มคอหอยเลือดศึกษะไหลไม่หยุดเลยไหลไม่หยุดเลยนะแต่มีสติที่ลิ้นปีเนี่ยโยมมาไปใช้เลยนะเถอะเวลาโกรธใครหรือเกลียดใครแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่ลิ้นปีเนี่ยให้ใจยาวๆอยู่มันโต๊ะเขียนหนังสืออยู่ไหนก็ตามโกรธใครขึ้นมาอย่าฝากความโกรธค้างคืนแต่เสียใจต่อภายหลัง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 อย่าฟากความโกรธค้างคืนแล้วภูพยาบาลข้ามเย็นยอมจะกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้ามากินไม่ได้นอนไม่หลับจะไปโลก